อยากรู้ว่าม่วงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดังคูต้นโตสู้แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบางงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้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 กับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทนโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยน ำ, นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันซึ่งในช่วงนี้่ก็การประชุมเอเปกนะครับนะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีไทยเราเป็นเจ้าภาพมีประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศเอเปนะครับเป็นเขตเศรษฐกิจ ขนาดใหญนะ่มาประชุมกันที่บ้านเราแล้วก็มีประมุคของรัฐนะหลากหลายเลยครับโดยเฉพาะที่สำคัญก็ทั้งในส่วนของประธานดบดีสีจินผิงของจีนนะครับแล้วก็ในส่วนของรองประธานดีกัมลาของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีของแต่ละประเทศเนี่ยมานะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้นะครับนะ แล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยก็มากันทั้งหมดนะครับนะรวมทั้งปรานาบีมาคงของฝรั่งเศสนะครับนะะก็มานะครับนะแล้วก็นายงตรีของซาอุดีอาระเบียนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เกิดการเจรจานะทั้งทั้งด้านการค้าทางด้านธุรกิจนะข้อตกลงต่างๆก็มีการเจรจากันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะตอนต่อไปก็จะมีการ แลกเปลี่ยนสินค้านะครับนะการวางมาตรการในการที่จะลดภาษีต่อกันนะเป็นสิ่งที่ดีนะโดยเฉพาะในส่วนของไทยจีนเนี่ยก็คิดว่าหลังจากนี้จะมีการการค้าการขายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นซึ่งเราก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าในส่วนของไทยเราถ้ามีการเชื่อมต่อในส่วนของรถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางเนี่ยครับจากไทยไป สปปลาวจากลาวไปจีนนะครับแล้วก็จะเชื่อมส่งสินค้าทางด้านการเกษตรผลไม้นะครับนไปจำหน่ายยังจีนนะครับนะก็จะได้เกษตรกรจะมีรายได้รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับซึ่งเป็นพันล้านคนเนี่ยจะมาลงมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจกระตกระเตื้องดีขึ้นนะครับก็หวังอย่า ง, ง น, น, นั้นในส่วนของซาอุดีอาระเบียมีการฟื้นความสัมพันธ์ การขึ้นมาใหม่เราก็หวังว่าเราจะามีการแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยเฉพาะแรงงานไทยเรานะครับนะใน2 0่0าปีที่แล้วนี่เคยไปขายแรงที่ซาอุดีอาระเบียนี่ก็มีรายได้นะมาจุนเจือครอบครัวกันสูงแล้วครับในอดีตเนี่ยนะครั บ, นะรบนะแรงงานไทยเรานี่ก็ไปนิยมไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับนะคนะอตอบแทนสูง ถ้ามีการฟื้นความสัมพันธ์ก็จะดีโดยเฉพาะน้ํามันแหะครับเราหวังน้ํามันถ้าราคาถูกนะหังวันหังเราได้รางวัลน้ํามันราคาถูกก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนะพราะตอนนี้เราก็วิกฤตน้ํามันนะครน้ำมันนี่แพงอ่มันะถ้ามีการเจราจากันได้ก็ก็ดีนะครับนะการค้าการ ข, า, ขายนะทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราหวังว่าอ่ามันจะกระเตื้องขึ้นแหละครับในเศรษฐกิจนะของระดับโลก เพราะว่าการประชุมขนาดใหญ่ในอาเซียนนี่ก็มีถึง3การประชุมนะทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับที่กัมพูชาจัดนะก็สำเร็จไปด้วยดีแล้วก็ G20 ที่อินโดนีเซียจัดนี่ก็ใกล้ๆกันนะครับแล้วนะก็มีผู้นำระดับโลกมานะเพราะฉะนั้นนี่ก็มีเอเปของไทยเราก็จัดไล่ๆกันก็จะแสดงว่าอาเซียนเรานี่ก็เริ่มนะนะ ทั่วโลกให้ความสําคัญกับอาเซียนแหะครับนะกรณ์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีในปีนี้น่าจะน่าจะดีขึ้นก็หวังกันอ ย, อย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่เร่งฟื้นความสัมพันธะ์เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะในการกระตุ้นนะการผลิตนะหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจค่อนข้างดีจะซบเซาอะไรอย่างที่เรารับทราบกันดีนะครับนะเราก็วังว่าถ้าเราฟื้นการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะมีเงินตราต่างประเทศมากระตุ้น เศรษฐกิจนะก็จะทําให้เศรษฐกิจนี้เติบโตฟื้นตัวได้เร็วกว่าภาคการผลิตอื่นนะครับนะเพราะการท่องเที่ยวนี่ก็อย่างที่บอกเขามีมีตรเงินต่างชาติเข้ามานี่ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็หวังว่าหลังจากเอเปกแล้วนะเศรษฐกิจเราก็จะฟื้นตัวกันขึ้นมาแล้วก็จะเป็นความหวังของเรามารับฟังเพลงสักเพลงก่อนนะครับก่อนที่เราจะม า, าพูดมาคุยกันรับฟังเพลงสักเพลงครับท่านผู้ชมครับ สุขสบายให้คนในบ้านจากถึงเดิมหากไรได้มาทำงานบ้านที่ต้องจากไปคืนที่คำเดือนงายยามนี้สุดเหงาดาวที่คงเลื่อนลอง กับลมรำเพยพัดพาฝากคำหัวใจจะว่าออกมาจา ก, จาก I'm waiting for you อย่าเลื่อนลอยไปเป็นอื่นจำทุกอย่าลืมคำสัญญาเร่งร้อยขับขับขังฝากไปบ้านฉันเพียงกุศ มาพูดมาคุยกันกันต่อนะครับนะในช่วงนี้เนี่เป็นช่วงที่ฟุตบอลโลกนะครับนะเทศกาลฟุตบอลโลกแล้วครับนะก็มีการถ่ายทอดนะตรงนี้นี่ก็อย่างที่บอกแล้วครับนะว่าเป็นเป็นการกระตุน้นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกในอะย่างที่บอกแล้วครับนะว่าคนที่นิยมฟุตบอลก็จะไปซื้อเสื้อทีม ต่างๆประเทศที่เชียร์นะซึ่งลาวอยูหลังหวังว่าในอนาคตนะทีมฟุตบอลไทยเราจะเข้าไปนในรอบลึกๆนะเข้าไปแข่งฟุตบอลโลกได้เพราะว่ามีในเอเชียมีหลายประเทศนะครับที่เข้าไปนะอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียนะสามารถที่จะเอาชนะเยอรมันได้นี่ก็ถือว่าแน่นะครับแล้วก็ในส่วนของ ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับนะญี่ปุ่นนะเอาชนะเยอรมันนะครับนะแล้วซาอุดีอาระเบียเอาเอาเอาชนะอาร์เจนติน่านะครับนะซึ่งก็ถือว่ามาตรฐานฟุตบอลของเอเชียนี่ดีขึ้นเรื่อยๆล่ะครับนะก็หวังว่าในอนาคตไทยเรานะก็จะเข้าไปแข่งขั น, นตอนนี้ก็ได้ชมฟุตบอลโลกกันไปมีการกระจายถ่ายทอดในช่องฟรีทีวีมากขึ้นนะครับนะก็จะทาให อคอบอล ไ, ไ, ได้เชียร์ฟุตบอลกัน อ, อย่างทั่วถึงแล้วครับนะกอเทศการฟุตบอลโลกตอนนี้นะครับก็กําลังเริ่มต้นกันขึ้นมานะครับนะในขณ ะ, ะในเรื่องของอทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับนะตอนนี้นี่อย่างที่บอกแล้วครับหลังจากน้ําท่วมแล้วมีการจ่ายค่าชดเชยเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายน้ําท่วมใ น, ในหลายพื้นที่นะครับนะแถวเพื่อภาคกลางบ้างภาคอีสาน โดยเฉพาะข้าวนาข้าวเนี่ยก็เสียหายกันไปกันไปมากเลยทีเดียวนะครับนะก็รัฐบาลก็กำลังทยอยมีการจ่ายชดเชยซึ่งพี่น้องชาวและชาวนาก็ต้องติดตามนะจากกระทรวงกรเกษตรจากทกส อ, อย่างไรก็แล้วแต่ในผลผลิตทางกา ร, กรเกษตรของเรานี่ก็ยังในในพืชในหลายตัวนี่ก็ยังดีขึ้นอยู่นะครับโดยเฉพา ะ, ะที่ทระทวงเกษตรรายงานมาทั้ง ปลาล์มทั้งมันสำปะหลังนะทนะั้งพืชผลต่างๆเนี่ยก็ดีขึ้นจากการเปิดเผยของนายฉันธนนวนวรรณคจรเลขาธิการสำนัก ง, งานเศรษฐกิจการเกษตรก็บอกว่าตอนนี้ในส่วนของพืชในหลายส่วนเนี่ยนะก็มีการผลิตที่ดีขึ้นราคาก็ดีอย่างเช่นปลาล์มน้ำมันมันสำปะหลังโรงงานนะแล้วก็กุ้งขาว แว่นน้ำมันะครับนะก็ราคาก็อยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งรัฐก็จะมีการส่งเสริมนะให้มีการาผลิตนะครับนะพืชที่มีผลผลิตที่ดีแล้วก็ราคาดีซึ่ ง, ซ, งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะแล้วก็มีการปลูกพืชทดแทนอย่างอื่นอย่างเช่นเงาะลองกองกาแฟยางพารานี่ก็บางพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดว่ า, าในสวนยางพาราเนี่ยในสวนนี้ราคาตกต่ำเนี่ยจะเปลี่ยนมาปลูกพืชอย่างอื่น ซึ่งตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะครับนะว่าอาจะเปลี่ยนไปปลูกพืชอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่เราคงาคงจะต้องดูมันสำปะหลังนี่ก็เป็นพืชที่นิยมปลูกกันอยู่แล้วแถวภาคเหนือภาคอีสานนี่นะครับนะเพราะว่ า, าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพืชที่ทนแรงได้ดีนะใช้น้ําน้อยนะในชาวบ้านก็นิยมนะครับในการที่จะปลูกส่วนภาคใต้นี่ก็ปลา ม, นมันนะปลา ม, มันนะครับนะ ส่วนยางพารานี่ก็อาจจะลดลงหน่อยเพราะราะคาจะไม่ดีมากนะแต่พืชหลักเลยก็คงจะเป็นข้าวแหะครับนะซึ่งก็จะต้องเน้นปลูกข้าวที่มีพันธุ์ดีแล้วก็สามารถที่จะส่งออกได้นะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องคงจะต้องดูนะครับนะว่าจะส่งเสริมพืชอะไรนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้นี่ก็ในส่วนของกระทรเกษตรนี่พยายามที่จะมาเน้นส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการ ปลูกพืชที่จะไม่ทําลายภาวะสิ่งแวดล้อมนะซึ่งพยายามที่จะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับนะ พ, พวกเกษตรอินทรีย์ทั้งหลายแล้วนะครับนะก็เริ่มมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านนะในนะพื้นทีนะ่พื้นที่สูงนะครับนะทั้งพื้นที่เขาหรือว่าในสเกตป่าต่างๆเนี่ยหันมาปลูกนะพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะอาจจะลดการเผา หญ้าเผาอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับนะตามนโยบายในส่วนของ BCG นะครับนะมีนโยบายที่ส่งเสริมในการประชุมระดับโลกนะลดภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็คงจะต้องมีการคุยกันระหว่างภาครัฐกับชาวบ้านนะครับนะว่า เราจะมาปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันได้อย่างไรนะครับเรามีการพูดถึงเรื่องเครดิตคาร์บอนนะครับนะพยายามที่จะมีการไปเอาที่นะครับจากในส่วนของในเขตป่าลกรล้างว่างเปล่าหรืออาจจะที่ที่มีการทําไร่ทานาต่างๆเนี่ยมาปลูกป่านะครับเพื่อจะได้เครดิตคาร์บอนแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขัดกันอยู่ระหว่าง ในทุนขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะเพราะรัฐเอามาให้ในทุนขนาดใหญ่ปลูกป่าก็จะบางครั้งชาวบ้านก็ไม่มีที่ทํากินก็คงจะต้องมีการมาเจรจากันละครับนะให้ให้เกิดการสมดุลเราจะให้ให้ชาวบ้านเนี่ยมามารับจ้างปลูกป่าก็ได้เพื่อที่จะได้เครดิตคาร์บอนกันขึ้นมานะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่กําลังฮิตกันนะครับมีการประชุมกันนะ ที่อียิปต์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับนะแล้วก็พยายามที่จะให้ประเทศร่ํารวยเนี่ยเอางบประมาณตั้งงบประมาณมาชดเชยให้กับประเทศยากจนเพราะว่าประเทศร่ํารวยนี่ก็ใช้โรงงานถ่านหินอะไรต่างๆทําให้เกิดอ่ะโลกร้อนขึ้นมานทําให้เกิดน้ําท่วมภาวะอุทกภัยอะไรต่างๆกันมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มีการเจรจากันอยู่ในเวที เกี่ยวกับเรื่องสภาวะโลกร้อนนะปีนี้จัดที่อียิปตนะ์เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คงจะต้องติดตามดูกันว่ามีมีประเด็นในหลายประเด็นแล้วครับเป็นประเด็นใหม่ๆนะครับเพาจะเกิดการสมดุลอย่างไรที่จะใหะ้ชาวบ้านเนี่ยก็อยู่ได้ในส่วนของอสิ่งแวดล้อมนะป่าเขาเนี่ก็จะอยู่ได้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันเจรจากันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึง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 ไม่อยู่เยืนยาวอยู่ใต้ฟ้าอย่า ก, กลัวฝนพราวเตาวันสกาวความทุกข์จะคลายปัญหาคือยาวิเศษรู้จักสังเกตปัญหาจะหาย ไทยสามคัคคีความดีประกายพอ น, น้ำมนลหลความสุขจะคืออย่าวันอย่าว้เมื่อใจยังอยู่มีนำเป็นผูเรียนรู้ไม่เติมจากทุกนักหนาแต่ท้ายัดยืนเพราะไทจะ จะหายไทยสามคัคคีความดีประกายพอน้ำมันลายความสุข ำเป็น